มีหลายๆคนนอะปฏิบัติทำในชอบถามตัวเองหรือถามคนอื่นเสมอวนะ่าปฏิบัติแล้วได้อะไร เ, เราได้อะไรเนาะเนี่ยทำทำไมทําได้อะไรจริงๆสิ่งเหล่านี้เราก็คุยกันมานานนะพูดกันมานานว่าทําทําไมทําได้อะไรส่วนมากคนที่ถามเนี่ยคือ ทำไม่ถูกทำไม่เป็นเพราะทำไม่ถูกทำไม่เป็นแล้วผลมันไม่เกิดเพราะไม่เกิดผลก็มาถามกันทำได้อะไรบันทีทำถูกนะแต่ทำไม่ถึงอายุจิตบางทีประมาณ7็ดวันสิบห้าวันเดือนปีบางทีเราไม่ถึงทาไม่ถึงผลมันก็ไม่ชัดเจน เมื่อทีทําถึงแต่มันทําไม่ถูกคือเขาบอกว่าให้มีสติระลึกรู้ให้ต่อเนื่องเราก็ไม่ค่อยต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องผลมันก็ไม่เกิดซะแล้วบอกให้สร้างจังหวะให้เดินจงกรมมันปลูกพืชว่าให้รดน้ํำนะใส่ปุ๋ยนะให้แร่ถาดอาหารไปเรียนรู้มันดิว่ามันขาดสารอาหารอะไรเราก็ไม่อยากเรียนรู้ก็ทํามันเดิมทํามาเดิมก็งอกเท่าเดิมนะ ว่มีอะไรดีไปกว่านั้นไปดูเขปลูกปาล์มวาปาล์มนี่ต้องห่างกันเก้าเมตรนะแต่ละต้นนะะใบมันกว้างไกลมากห่างเก้าเมตรแล้วเขาบอกว่าสามปีออกลูกที่มันต้องกินการกินอะไระสารอาหารไหนมากกว่ากัน NPK เนะี่ยปลูกในตัวเช่นพวกฟอสฟลัสนก มันชอบอะไรมากกว่ากันอืมเพราะศึกษาถูกเขาอาจจะปลูกทีหน่อยก็ได้ก็ใส่ลงไปดูดิมันจะอาจจะให้ผลตลั้งแต่ปีแรกเห็นเราไปดูเขาทาปีแรกคนก็ได้ผลแล้วออกลูกแนละ้วปลูกต้นปีปลายปีมันออกลูกซื่งมาม่วงปกติก็สามปีห้าปีห้าปีบางทีเขาทาบกิ่งเขาไปตอนมาเนี่ย มันก็ออกเร็วนะปลูกปีนั้นออกปีนั้นกิ่งตอกิ่งท่าติดตาแล้วไปดูออกมาเห้ยมันออกเร็วนาะงทีมะม่วงต้นนี้ปลูกขึ้นไปเป็นมะม่วงป่าซึ่งหาหารดีมากและอดทนดีคุณสมบัติมันดีเขาก็เอาคุณสมบัติมั น, นมาใช้เป็นรากส่วนยอดหิงกันสาขา ก็เอามะม่วงชนิดอื่นมะม่วงพันธุ์อื่นมาเสียบมาติดเท่าไปคือมันปรับได้ตลอดถ้าทำถูกทำถูกเหตุปัจจัยหรือทำถูกเงื่อนไขหรือทำถูกธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันออกมาเองโดยธรรมดาคือทำถูกไม่ว่าวิธีไห น, นจะต่อยิงติดตาท่ากิง่งกิ่งตอนเตื้อปลูกมเมล็ด มันออกลูกทั้งนั้นเนี่ยไปอยู่ไปท้ายเงื่อนไขต้องไปรู้ความลับอันนั้นด้วยความลับว่าเออมันมันกิ่งตอนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ากิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเข้าใจอ่ะพอเข้าใจพอทามันก็เป็นคือได้ลูกภายในระยะเวลามันสั้นมันหลายๆคนมีลำต้นอยู่ในตัวนะมีศรัทธามียีรีอุตตระอยู่ในตัว มีความอดทนอยู่แล้วโอ้ยทำแค่นี้ฉันเคยทํามามากกว่านี้เขาก็ขยันทําเพราะขยันทําสภาวะทมก็ปรากฏเกิดขึ้นคือต่อต้นต่อกิ่งไปเลยบางทีทําความรู้สึกตัวนี้เคยทําอยู่แต่ว่ามันไม่ตรงวันนี้และมันไม่ต่อเนื่องให้ปานนี้เขาก็ทําให้มันต่อเนื่องเพราะาต่อเนื่องก็เกิดปัญญาเคยฝึกทาสมาธินั่งหลับนั่งอะไรแต่มันไม่ใช่สุปุชุปฏิปนูให้ ก็ฝืนฝึกก็ฝึกตรงตรงรู้ตรงตรงเอาก็เกิดปัญญาได้บางทีฝึกเมื่อก่อนทําแบบสงบสบายก็ยยเปลี่ยนแปลงแนนแทนที่จะมาถามว่าอทําแล้วได้อะไรควรจะมีคําถามกับตัวเองว่าทําถูกหรือไม่ทําถูกทําตรงหรือไม่สุปฏิปันโนชุปฏิปันูเป็นอย่างนั้นไหมถามตัวเอง ปฏิบัติเพื่อออกจะถทกข์ไมเวลาไปถามดูบางคนก็โง่เกินนะโง่เกินที่จะเข้าใจที่จะปล่อยจะวางแต่บางคนนี่หมายควาว่าถึงแม่ฟังมานานรับรู้มานานเหมือนเข้าใจน่าจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่เข้าใจน่าจะรับรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้นนเป็นอันนี้ส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรมัน คิดตามไม่เป็นเข้าใจตามไม่เป็นแล้วความใคร่ต่อการศึกษาที่จะทำวันนี้ให้มันเห็นเนี่ยจะให้เกิดให้มีหรือให้ดับไปสิ่งที่ต้องการทำให้เกิดมีเราก็ทำให้ดับสิ่งที่ต้องการให้ดับกลับให้เกิดมีมันไม่ตรงประเด็นมันก็หายสลายไปเอาไปมาทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เอ้กูปลูกทำไมวะ มันเราปลูกต้นมะม่วงพอปลูกไปปลูกมามันออกมาเป็นตัวผู้นะมันไม่ออกลูกซาทีมันเป็นหมันนะแล้วเราก็มาถามตัวเองว่ากูปลูกทำไมทำไมกูเสียเวลากับมันอย่าเนี้จะยิ่งการปลูกเราบางทีถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจเขาจะเห็นประโยชน์จากการปลูกปลูกได้ความอดความทนซึ่งไม่อยากได้ คนนี้ไม่อยากได้ลูกมันน่าเป็นตัญหาได้ร่มได้เงาได้กิ่งกา้านสาขาดอกใบถามว่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เป็นยถาลาภสันโดษยินดีตามกำลังที่ทำได้อยู่ปัจจุบันยถาสรูปะยินดี ตามสิ่งที่มันเป็นยินดีตามกําลังความสามารถยินดีตามผลที่มันจะเกิดแล้วแต่เรื่องมีความสันโดษสันโดษในสุขสภาวะนะคือยังไงก็ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ไดไดกลายเป็นความพอรู้สึกมีความพออยู่ในตัวยังไงก็รับได้ เหมือนชาวบ้านเขาทําไรนะ่นาสมนุษเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเขาทํำมาเนี่ยมีตะไคร้ก็ได้กินตะไคร้ไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพทํางานแล้วไปแลกเอาได้เงินแล้วเอาไปแลกเอาแต่ถ้าชาวบ้านนี่ทําอะไรได้อันนั้นปลูก ผ, ผักก็ได้ผักเลี้ยงหมูก็เลี้ได้หมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้วัวได้ควายทําอะไรเป็นของตัวเองขึ้นมาโมดคือทําแล้วรู้สึกว่ามันได้ แต่ว่าถามว่ายากไม่ยากอยากตรงที่ว่าต้องรอแต่เขามีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเขาทําวันนี้เพื่ออันนี้ทำวันนี้เพื่ออันนี้ถึงแม้มันยังไม่ออกดอกออกผลเขาก็ต้องทําไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆอย่างนั้นได้พอใจอยู่กับมันได้ไม่เหมือนกันทํางานแลกเงินไปซื้อในตลาดซื้อในตลาดทําว่าได้ไม่ได้ง่ายไม่ก็ง่ายเหมือนกันอนะ แต่คุณธรรมทั้งหลายไม่ได้งอกเงยขึ้นมาในความรู้สึกเป็นเจ้าของมันไม่งอกเงยไม่ได้จะเป็นเจ้าของของการกระทําไม่ได้เจ้าของของวัตถุสิ่งของไม่ใช่เจ้าของของลาภยศเสรเสริญไม่ใช่เจ้าของของคุณธรรมทั้งหลายที่ปรากฏออกมานั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันสนุกกับมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาเนี่ย อย่างที่เราปลูกต้นไม้มีลมมีเงามีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีรู้สึกว่าอมีการรอคอยได้รอคอยไม่ได้นี่เหมือนเราปฏิบัติทำทําความเพียรบานทีเวลาทําก็เอาจจะได้ความอดทนเรามองเห็นแค่ความอดทนเนาะเราได้ความอดทนได้ความขยันได้ยีริอุตตะปะเริ่มตามมา ได้รู้จักตัวเองขึ้นมาน้อยนึงว่าความโลภความโกรธความหลงความอึดัดมากๆเนี่ยพอถึงที่สุดก็ดับได้เมื่อก่อนถ้าเราเป็นขนาดนี้มันคิดให้เราทําอะไรเราต้องไปทำํำตามมันแล้วให้รักให้ชังให้โกรธให้เกลียดเราเป็นไปตามมันแล้วแต่นี้เราไม่ได้เป็นรู้สึกว่าัได้มีคุณธรรมเกิดขึ้นทํำไรทําสวนทําอะไรก็ตามนะคุณธรรมมันเกิดขึ้นมาด้วยทั้งนั้นทําสวนคุณธรรมก็เกิดมา ทำไรทำนาก็เกิดนะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อุจุปฏิปโ น, นไม่ใช่ตรงตรงสภาวะทำตรงตรงเนี่ยมันไม่ไม่มีผมไม่ได้มีการที่จะเกิดขึ้นตรงตรงเนี่ยมันก็ไม่เป็นให้ซะเหมือนเขาเอากิง่งทาบกิ่งมาใส่ใต่อ ย, ยอดนะ่แต่ที่พอปลูกขึ้นมันติดเท่านั้นเองมันออกลูกเลยเนะี่ยมันตรงถ้าเรามอง ด, ดีๆเราจะเห็นประโยชน์มันนะ เมือนกันนะกันมาปฏิบัติทำรู้สึกได้ความมักน้อยอสันโดษได้ความอดความทนได้สุขภาพดีได้อากาศดีอาหารพอประมาณเพราะจริงจิงอาหารนี่เป็นโภชเนมตตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอยู่แล้วท่านสอนอยู่แล้วอเ น, นี่ยคือพอทํานี้มันก็ถูกต้องขึ้นมา ที่ถามื่อความต่อเนื่องมีไหมไม่มีเอาไปไหนอ่ะเราก็มากําหนดรู้นะทําดูและลึกรู้ต่อเนื่องสติเนี่ยคือหมายความว่าคําว่าต่อเนื่องก็คือสมาธินั่นแหละสติเรามากําหนดรู้แล้วได้เด็รู้สึกตัวเฉยๆได้รู้สึกตัวแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องเพราะไม่ไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นสมาธิ พอไม่เป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นก็ปล่อยวางอะไรไม่ได้จิตก็ไหลไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆ้ารู้เออตอนนี้ได้สติขนาดนี้นะได้สติขนาดนี้สัมปชัญญะก็ได้ต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างก็ขยับไปเรื่อยๆเรืยๆ เ, เ, เ, เรารู้สึกว่าเราได้นะเราได้ทิ้งความคิดนะั้นได้ทิ้งอารมณ์วันี้ได้อยู่กับปัจจุบันเพียงชั่วขู่ชั่วขณะชั่วช่างพระหูงูแอ บ, บลิ้นก็นอย่างดีนี่ รูสึกมันเป็นคนที่รู้จักให้กำลังใจตัวเองเป็นนะคือมองเห็นว่ า, าทำแล้วมันได้อะไรนะถ้าไปมองเป้าหมายมันใหญ่เกินไปมันก็ไม่ได้คือต้องเห็นตรงๆนะสันติโกเห็นตรงๆคือมันปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำเท่าไหร่ทำยังไงแล้วก็ได้เท่านั้นมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เห็นเท่าที่มันเกิดน ะ, ะรเรียกว่าสันติโกเห็นเท่าที่มันเป็น มันไม่ปรุงแต่งเติมไม่ปรุงแต่งต่อแทนที่จะปรุงแต่งไปยาวๆมันไม่ไปซะความหวังอดีตอนาคตแม่เป็นสันติโกเห็นเท่าที่มันเกิดมันไม่ปรุงต่อไม่ปรุงตามอย่างนี้มันก็ไม่ทุกนะมันไม่ทุกแล้วไม่มีคำถามให้กับตัวเองว่าได้อะไรไม่มีกิเลสแฝงที่ตามมาเป็น วิจิกิจฉานะวิจีจิฉาความลังใดสงสัยและจะสู่ความเป็นปฏิคานุษใสความหงุดหงิดติดอารมณ์ติดความคิดความอยากขึ้นมาทันทีถ้าเราทำถูกอย่างที่ว่า <c oughs> ไม่มีคําถามดูทันทีว่ารถคันนี้มันเสียเสียเพราะอะไรที่ล้อยางมันแบนเป็นเพราะอะไรตัวออกเข้าใจ ชีวิตนี่เหมือนกันเวลมเรามาติดอารมณ์รู้นะรู้เป็นเพราะอะไรไม่ติดอารมณ์รู้เป็นเพราะอะไรเราเป็นช่างช่างเขาเถอะเราเป็นช่างส่วนตัวตัวเองอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูมันเป็นเข้าใจมันเป็นช่างให้กับตัวเองนะช่างชีวิตเนี่ยมันง่วงก็ซ่อมเป็นมันเบื่อหน่ายก็ซ่อมเป็นมันรักมันช่างก็ส่อมเป็นแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับ อะไรก็ตามนะ่ะเี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้อง ก, กับการกำานินเราซ่อมได้ชีวิตเนี่ยซ่อมให้กลับมาอยู่กัฐานเดิมได้อยู่กับความปกติเป็นอมันก็ง่ายนะแทนที่เราตื่นมาชีวิตเนี่ยน่าจะเดินทางไปสู่นิพพานนะ่ะสุนิพพานคืออยู่ความปกติว่างๆขงโลกไปแล้อ้าวตินง่วงอีกแล้ววันนี้กูนะ ตื่มาแล้วก็ติดอีกแล้วมาทําทําไมวะเอา้าต้องไปถามดูเหตุผลนี่ที่เราบอกเราสอนเราเน้นํากันมาเนี่ยนามานานแล้วทําทําไมเนี่ยเงื่อนไขเป็นยังไงทําได้อะไรเอา้าได้รู้ไงทําได้รู้ทําได้รู้รู้ให้มันเป็นอะไรไม่ให้มันเป็นอะไรนะรู้แล้วกระดับไปเรื่อยๆรู้แล้วกระดับไปเรื่อยๆรู้แล้วก็ดับไปเรื่อยเป็นจริงๆพ้าหมายก็เดินไปสู่อนาตานะ ปฏิบัติธรรมนี่ถามว่ามันเป็นอนัตตาของเขาไหมเล็กนิดน้อมันก็จะอนัตตาอยู่นะทุกเรื่องนะสะเปธธรรมะอนัตตาทุกเรื่องนี่มันจะดับไปแล้วอีส่วนนั้นมันไหลไปสู่ความดับอีส่วน้อยก็ไหลพิสู่ความดับมีเรื่องอะไรบ้างที่มันไม่ดับนี่สเพสังฆราอนัตตาสเพธธรมมาอนัตตาที่มีอะไรบ้างที่มันไม่ดับดับมดนะ่ะ อะไรบางที่เป็นตัวตนก็ไม่มีแหละนั้นเมื่อเราเรียลึกรู้อยู่อย่างนี้เนี่ยปฏิบัติทําให้แต่ปฏิบัติธรรมเราสังเกตดูนะมันก็ดับอยู่ดีนะสมมติมันก็ดับไปมันก็ดับไปแต่เม่อมันดับแล้วเราคิดขึ้นมาอีกเพราะมันติดไงติดเป็นตัณหาดับคือดับก็จบนะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ตามสถิตินะเขาทําไ ว, ว้ว่าเป็นคนที่รักษาความลับไม่ค่อยเป็นนะ แต่ที่มันดับก็ดับเขาจะไม่ค่อยดับเพราะเป็นคนคิดจุกจิกนงส่วนมากนะคิดจุกจิกก็กระทบแล้วมันไม่ค่อยดับคิดมากพอคิดมากก็เป็นเหตุของการต้องพูดมากพูดมากแต่ถ้าฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆก็สลัดรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันมันก็เออเป็นอนัตตาในจิตเข้าได้บ่อยๆความว่างบ่อยๆปรากฏบ่อยๆ บ่อยบ้างบ่อย <c oughs> บ่อยเข้าจนเกิดความต่อเนื่องละของสติสัมปชัญญะเนี่ยจิตมันตั้งมันไม่หวั่นไหวการฝึกสติะระลึกรู้มาตรงที่ทำให้จิตมันตั้งมันเป็นสมาธิเมื่อไหร่ที่มันอยู่กับสมาธิอยู่กับปัจจุบันเป็นมองเห็นการเกิดขึ้นของทุกข์นะส่วนพรกเราเห็นการดับไปนะแต่ไม่เห็นการเกิด การเกิดไม่ค่อยเห็นแต่เห็น แ, แ, แต่การดับถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นหรือเห็นกิเลสมันเกิดดับมันได้เรื่อยๆเรื่อยๆเห็นมันดับไปอยู่เรื่อยๆเราจะมองทุกอย่างถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตนะอย่างโทสะเกิดเนี่ยเราไม่คิดว่ามันดับเป็นมีโมหะเกิดเราก็ไม่คิดว่ามันจะดับได้มีราคะเข้ามาไม่ได้คิดว่ามันจะดับได้แล้วก็กลายเป็นคนดูซะนี่สิเนี่ย ดูมันเกิดมันดับยิ่งสติเรามีดีมากเท่าไหร่เนี่ยความดับก็ปรากฏให้เห็นชัดเร็วขึ้นเท่านั้นนั่นแทนที่เราจะเข้าไปสวยอารมณ์มก็ไม่ได้สวยว่าเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปไปสวยทำํำไมเราก็รู้ความลับอยู่ว่ามันต้องดับถ้าไม่ดับมันก็ตายไปสู่ภพใหม่ไม่ได้นมันต้องดับ คือคิดเรื่องนี้ปุ๊บเอาคิดความคิดเรืนีงนี้ยังไม่ดับมันจะกระโดดไปเรื่องอื่นไม่ได้เนะแต่สังเกตดูทีจิตเราไปกระทบอะไรเราเริ่มตั้งแต่เด็กไม่ไม่เริ่มแต่เด็กสักอันนคิดเรื่องอะไรนี่มันโตทันทีเป็นหนุ่มไป็คือเป็นะขณะนี้หยุดเรื่องนี้ไปเกิดทั้งนั้นจากพบนี้ไปพบโนนก็โตทันทีคิดต่อทันทีเลยคิดร่ำคิดรวยคิดอะไรทันทีเลยคิดมีคิดเป็น ไม่ได้ปเริ่มต้นที่เออไปเริ่มตนน้ออมตนที่คิดเราเป็นเด็กขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราจะคิดต่อไปเรื่องเป็แล้วมันไม่เป็นใหน้เขาเรียกว่าเป็นมารแบบหนึง่งมันเป็นมารเป็นเทวดาเป็นประเภทพวกจิตนี่เป็นประเภทโอปปปาติกะนะเป็นโอปปปาติกะพุดพูดไปแล้วก็เป็นเลยนั้นถ้าเราหยุด ตัวปรุงแต่งหยุดสังขารคือฝึกสติที่หยุดพวกนี้ไม่ได้มันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็ถามตัวเองนะ่ะนี่มัในแต่แค่นี้เหรือทำไมทําแบบนี้ทําไมต้องมาเสียเวลามเวลาเพราะเงื่นไขมันไม่ได้เงื่อนไขไม่ได้เงื่อนไขมันไม่ถูกแล้วถึว่าเออถึงแม้มันเงื่อนไขมันไม่ได้มันไม่ถูกแต่ถ้าเรามีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ศรัทธาต่อการปฏิบัติของเราเองเนี่ย เราก็เริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้เรื่อยเื่อยเริ่มใหม่เรื่อยเรื่อยเริ่มใหม่เหมือนคนฝึกตั้งไข่เนี่ยตั้งเรื่อยเรื่อยตั้งเรื่อยเรืยเดี๋ยวสักวันมันตั้งได้อะมึงกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาหลายครั้งนะถามคนว่าตั้งไข่ตั้งยังไงบคนตั้งไม่เป็นนะแต่มาเมื่อก่อนแต่มาก็ตั้งไม่เป็นนะตั้งไม่เป็นเมื่อวันไปบินธบเขาถวายแบน ขณะที่ข้าวยังไม่มีในบาทใส่ขวดแบนลงไปโอ้ยกิ่งสุดทางนะไปกิ้งมาเดินไปก็กิ้งไปเดินมากิ้งไปมามีแต่จะเปิดฝาซดมัน <laughs> มันจะมีกิ้งจะงากันนิ่งไว้คือธรรมชาติอันเนี้ยถ้าหากว่ามันทําได้เราทําแล้วเห็นตัวภาวะดับมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าดับไว้ขึ้น เพราะทุกอย่างเราเห็นเป็นสักแต่ว่าไอ้ที่มันดับเราเพราะว่าเห็นเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นเฉยๆแล้วก็ดับไปเห็นสักแต่ว่ามันก็ดับไปแต่ถ้าเห็นแล้วสนุกสนานปรุงแต่งมันมันก็ยืดยาวเป็นสังขารเป็นพบเป็นชาติอย่างว่ามันยืดยาวถ้าไม่เห็นมันยืดยาวก็ต้องมองเอ ไข่ไอนี่มันกิ้งอยู่ตลอดเวลากิ้งไปกิ้งมาตลอดเวลาในจิตเราเนี่ยเรื่องนี้มันกิ้งตลอดนี่ทําไงมันจึงจะหยุดกิ้งได้ส่วนมาเราไม่อยากไปแตะต้องนะเราไม่อยากไปแตะต้องไข่เราเนี่ยเราคิดว่าเป็นไข่เราไงพอพูดว่าตั้งไข่ปุบ๊บเราก็จะหาตั้งแต่รูปทรงมันเหมือนเดิมคือเราไม่อยากหยุดความโลภความโกรธความลง้งหยุดความยึดติด ผูพกพันอะไรสักอย่างเราไม่อยากเปลี่ยนแต่อยากได้สติสติแล้วจะไปทํามันนั้นความคิดคิดอย่างเงี้ยได้สติมากูจะไปทํามันนั้นทานําม่ได้มันไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงเอาซะเลยเหมือนบอกให้ตั้งไข่เนี่ยมันก็คิดไปจะตั้งไขน่นี่เนี่ยแล้วงมาคิดเป็นวันนะตั้งไข่เนี่ยจะตั้งอย่างไงมาตั้งไข่ดิ คือมันไม่เกิดปัญญาเห็นนะว่าไข่นี่มันเป็นสมมุติไม่มีปัญญาว่าเออไข่นี่ททำไงกับมันก็ได้นะไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะมันคิดแต่ว่าไข่นี่ก็ต้องเป็นรูปไข่ก็ต้องให้ตั้งให้ได้แบบนี้นะคือเหมือนชีวิตเราจะมาปฏิบัติธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมเราคิดว่าชีวิตเราต้องดีแบบนี้คือมาเพิ่มให้มันดีต่อจากนี้ไปอีกนะการงานต้องคิดต่อจากการงานนั้นไป เงินทองต้องเริ่มจากเงินทองนี่ไปความสวมควรงามต้องเพิ่มขึ้นจากนี้ไปหุ่นต้องเพิ่มจากนี้ไปคือคิดอย่างนี้ตลอดเวลาคิดแบบบวกไม่ได้คิดแบบอนาตางจะลองตอบดูไหมว่าตั้งไข่นี่ตั้งยังไงืมตั้งไม่เป็นล็อกเนี่ยตั้งไม่จึงตั้งมันอนะใข่นี่แล้วจะมากอคนพบตอนไปบินทบาตนะ ไม่อยู่กับไข่จริงๆจริงตั้งเป็นเดินไปบินสมบัติบกิ้งไปกิ้งมาเฮ้ยมันทุกข์นะเนี่ยเสียงมันดังรอกแรกรกแกรกแกรกแกรกไปนี่มันต้องเห็นทุกข์ก่อนทุกอย่างต้องรู้จากทุกข์ก่อนจริงจะรู้จักสมุทัยว่าจะทําเพื่ออะไรก็นึกได้นะก็ล้วงเข้าไปในบาทก็ทุบซะทุบไข่ทุบ ข, ข้างนึงเปาะตั้งจุกอ้ามันอยู่เลยนะ ทุบข้างไหนมันก็อยู่ข้างนั้นเราก็ตั้งได้ข้างนั้นเมื่อก่อนเสียดายมันต้องเป็นไข่เพราะเรากลับมาเราก็ไม่ได้กินเปลือกมันเหมือนเดิมนะไอ้ทุบทิ้งเนี่ยแล้วเจอให้มันเหลือมาทำไมอะเพราะอ่านั่งอยู่นี่นะก็อยู่เลยคือจิตเราเนี่ยถ้าเรารู้ทุกอย่างว่าเปลือกชีวิตอันนั้นเน่ะสิ่งที่เราต้องการไปต่อเนื่องเป็นเปลือกชีวิตลาบยศสารเสริญหน้าที่การงาน สิ่งที่เราเป็นเรามีเนะี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเปลือกชีวิตเป็นสมมุติที่เฉยเนะี่ยทุบโปะเราเลยเอา้าหยุดได้นะหยุดได้มันคนยมถามกันเมื่อวานเนาะผู้หญิงถามผู้ชายทิ้งลูกมาได้ยังไงไม่ทําหน้าที่ของพ่อเหรอคนหนึ่งก็ว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องโลกโลก น, นั่นปัญญามันเลยอ้ น, นั้นมาแล้ว เอาเห็นแก่ตัวอลวไรประมาณนี้นะเห็นแก่ตัวทิ้งลูกทิ้งเต่ามาเนี่ยเมื่อก่อนก็คิดแบบนั้นแล้วคิดมาตั้งสี่ปีแล้ ว, วนะวอกก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะโอ้นี่มันก็สร้างเขาออกมาแล้วก็ทิ้งเขานะเอ่ะเพราะว่ า, า, า, าปัญญามันปัญญามันเลยอย่างนั้นไปปัญญามันมีความเข้าใจคือเข้าใจว่าอืมอย่า น, นั้นก็ มันเป็นเพียงสมมุติเป็นความหลงเกิดมาครั้งหนึ่งมันหลงไปแบบนั้นน่ะหลงว่าต้องมีแล้วเราจะที่มีแล้วก็ทำให้เราทุกข์ไปนี้เราจะหลงไปอีกสักเท่าไหร่จะหลงไปทำไมอ่ะคนก็คือสมมตุติลูกหลานก็คือสมมตุติหมูหมากะไก่เราเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาตัวหนึ่งจำเป็นไม่ไปไหนต้องพายมันไปด้วยโอยกูเลี้ยงหมาหม า, มากูนั้นนี่ใส่ ย, ยามไปตลอดเวลา แมวกลัวที่ขู่ใส่แมวเนีไ่ไปตลอดมันกลัวมันหิวนะวันนี้จะไปสวดมนต์ในบ้านเขาเห็นแมวมันมามามามาเข้ายามหลวงพ่อไปด้วยสงสารมันมีเมตตาโง่นะเนี่ยไม่ได้ฉลาดเอาไปด้วยเนี่ยอือันนี้ก็เหมือนกันชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรทํามากมายยังจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนน่นไปนี่ยังจะมาหอบลูกหอบหลานไปด้วย หนักพลุนพลังขันทั้งห้าเป็นของหนักเด้อทิ้งซะเราก็ไม่เข้าใจอืมเราก็อยากเป็นคนดีอยากทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีที่สุดนะอยากทำให้ดีที่สุดอันนั้นก็ไม่ทิ้งอันนี้ก็ไม่ทิ้งอันนั้นก็ไม่ทิ้งมันก็เลยไปยากพราะมันไม่เบาไงชีวิตมันไม่เบาหนักผูกพันนะพอพูดหน่อย อ้าฟาดมันเข้าป่าโดนข่ามันทิ้งเลยเอ้าหลวงตาไม่เคยมีลูกนี่วะเ่ยเอามันมันมีลูกไม่มีลูกมันเป็นเรื่องความคิดนะมันเป็นความคิดมันคิดขึ้นมาความคิดเนี่ยมีลูกเนี่ยถ้าไม่มีความคิดมันก็ไม่มีลูกนะถ้ามีความคิดมันก็มีลูกมันมีลูกมันไม่มีมีลูกไม่มีลูกมันมีที่ไหนอ่ะมีที่ความคิดนะมีพระกรรมฐานท่านหนึ่งนะท่าน มีลาเลปะไปดูประวัติท่านนะไปปฏิบัติธรรมไม่มันไม่ก้าวหน้าคิดถึงแต่ลูกกับเมียอยู่นี่นะคิดถึงแต่ลูกกับเมียหุ่นวายกลับไปฆ่าลูกฆ่าเมียเลยมาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมที่นี้เอ้าง่ายจังเนี่ยเห็นไหมคือกลับไปฆ่าจริงๆรนี่นะฆ่าให้ตายฆ่าเธอให้ตายเสียอย่างดีกว่ามาทรมานไอ้เรื่องดีกันนั้นสายเกินแก่ ก็ไปฆ่าแล้วกลับมาปฏิบัติธรรมว่าโล่งปโปร่งว่าไม่ต้องคิดหาข้าวหาน้ำเลยมันกินหุนไวสบายใจเนี่ยนี่ไม่เนี่ยนะองค์ุริมาถ้าไม่ฆ่าคนอาจจะไม่บรรลุธรรมนะองค์กุริมาเนี่ยอาจจะไม่มีบุญไม่ได้บรรลุธรรมนะที่ไม่ฆ่าคนเนี่ยทําอะไรก็ได้ให้ชีวิตมันกระเทือนใจตัวเองพอมันกระเทือนเศร้าสลดหดหูใจเกิดปัญญาขึ้นมา ธรรมะอันไหนเป็นจริยธรรมอควรติดไหมธรรมะอันไหนเป็นปรมัชมธรรมธรรมะธรรมอัไหนที่เราต้องก้าวล่วงก้าวข้ามเหมือนท่านว่านะมีเรือเราก็ขี่เรือไปเพื่อข้ามฟากมีกายก็ใช้กายเพื่อข้ามฟากมีลูกมีผัวมีเมียเพื่อให้เกิดสติสมาธิหรือเพื่อให้เกิดเหตุปัจจัยเอา้าตอนนี้อยู่ด้วยกันมานาน เอาดูแลกิจการไปนะสุดท้ายนิพาไปด้วยได้ไหมนิพาเนี่กิจการไม่ได้เอาคนที่ก็ดูแลไปอา้ามีผัวมีลูกด้วยกันมีเมีย ม, มีลูกด้วยกันดูแลลูกนะไปปฏิบัติธรรมระเด้อเราไม่เอามาเป็นอุปสรรคนะพราะพระพุทธเจ้าว่าถ้าหนุบมาว่ามีอะไรก็มำใช้อะไรก็ทา ม, มันเหมือนคนขี่เรือพอไปถึงฝั่งจะแบกเรือไปด้วยหขึ้นฝั่งเนี่ย เราจะต้องขึ้นฝั่งไปอีกนะเราต้องเดินไปอีกเหมือนกันนะต้องเข้าไปสู่ความไม่มีอารมณ์นะแล้วที่ผ่านมาทําให้เรามีชีวิตอยู่ดูดีขึ้นมาก็มีรอบครอบมีครัวมีบัมวมีเมียมาเกี้นเนี้ยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะไปสู่ดินแดนแห่งความว่างจะต้องมีไปด้วยไหมเงี่ยมันยากความชังในสลัดง่ายความรักในสลัดยากเราปะซะปล่อยซะวางซะเงี้ยถ้าไม่ปล่อยไม่วางล่ะ ไม่ปล่อดไม่วางก็เป็นอ น, นิจจังของมันอยู่แล้วอืออนิจจังของมันอยู่แล้วล่ะเมว่จิตของเราถ้าเราศึกษามันดีๆเนี่ยมันได้ความรู้ทั้งหมดเลยในคุณธรรมทุกอย่างเพราะทุกอย่างเกิดจากที่นี่นะเกิดจากเห็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นสันติโกเนี่ยเห็นเท่าไหร่ก็เท่านั้น ร, รู้เท่าที่เห็นรู้เท่าที่เกิดนะเท่าที่มันเกิดนะสันิติโก เป็นเพราะว่ที่เห็นเท่าที่มันเกิดมันไม่ปรุงต่อนะไม่ปรุงไม่แต่งต่อไปอีกมันก็สบายชีวิตนี่ไม่มีอ่เป็นทางผ่านมาเฉยเฉยโอ้เสียดายจังเนาะแต่ก่อนสมัยกูเป็นสาวเนี่ยมันดีกว่านี้นะอย่างนั้นก็ร้องไห้หาความเป็นสาวมันไม่มาหรอกนะความเป็นเด็กมันก็ไม่มาจบไปแล้วมันผ่านเฉยเฉย เหมือนกันความรักความชังความชอบความถูกความผิดเนี่ยในอดีต ท, ที่เราไปเกี่ยวข้องมานะเราเคยฆ่าคนมาเราเคยเลี้ยงลูกมาเคยมีอดีตเป็นหนี้ว น, นี้เนี่ยจะเรียกกลับคืนมาไม่มาหรอกมันอยู่แค่นั้นแหละเราก็อยู่กับปัจจุบันเราไปดิเป็นสักแต่ว่าโอ้มันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองอะหมวดอดีตนะวางอยู่กับอดีต อันนี้อนาคตอนาคตนั้นเป็นรูปนะเกิดดับนะมีตนานะเกิดดับนะสัญญาสังขารวิญญาณเกิดมาดับไปตั้งมันอันนี้ก็ขันห้าของอันนึงอันนี้ก็ขันห้าอันหนึ่งนี่คือขันห้าอันหนึ่งเลี้ยงหมาไม่ติดหมาเลี้ยงแมวไม่ติดแมวเลี้ยงคนไม่ติดคนเลี้ยงพระเลี้ยงทีเลี้ยงอะไรก็ตามน่ะชีวิตเนี่ยเป็นของใครของมันนะมันเป็นเงื่อนไขชีวิตของมันเองโดยธรรมชาติ เแล้วมันจะอยู่ยังไงอะ่ะแล้วเขาจะกินยังไงอะ่ะหอยู่ไม่ได้กินไม่ได้ก็ตายซักมันก็จบง่ายแต่ในความว่าตายซักเนี่ยมันมันเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ภายในที่ไม่ต้องการให้มีอะไระเวลาคนมาทำเอ้าหลวงตานี่มนุ์หลวงตาไปงานทําบุญนั่นทำบุญนี้ทํำไมไม่ไปอะ่ะขี้เกียจของเขาจบเลยนะ ที่เกียจก็จบเลยคือในนั้นมีคําอธิบายเยอะแยะดูก็รู้ว่างานนี้ไม่มีประโยชน์ดูงานนี้เป็นไปเพื่อมอมเมานะดูก็รู้ว่าคนมานี่มนคืออัตตาไปแล้วคงสอดไม่ได้ต้องการเราไปเป็นเกจิไปโชว์ไปอะไรประมาณนั้นไปโนไปนี่โอ้าวายหลากไหลนะสรุปง่ายๆก็คือเอาวขี้เกียจที่เกียจไปเอาขี่เกียจ ก, ก็เป็นแล้วปฏิบัติมาจนป่านนี้แล้วขออาบ <c oughs> ขี้เกียจกับกิเลสเนไม่ใช่ขี้เกียจกับธรรมนะถ้าเป็นธรร ม, มนะเนี่ยมันไม่ได้ขี้เกียจนะเห็นแล้วเป็นประโยชน์เพื่อาศาสนาพระพุทธเจ้าไปทันดีเลยนะแต่ในความขี้เกียจเนี่ยต้องอธิบายไหมมันก็รู้โอ้ไอ้นี่โง่จนกูขี้เกียจที่จะอธิบายแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเอา้าเอาเลยลูกเต่าเลยทํายังไงอ่ะมาถึงเราฆ่ามันเลย ว่าทำไมต้องฆ่าโอ้มันดูโง่กว่าใจที่ใบเขามาฆ่ามันเลยนี่แหละเอาเลยเอาเลยปล่อยวางจะไม่ปล่อยได้ก็ได้อะไรก็ได้ทำแล้วได้ทำแล้วสบายสิ่งที่ทํานะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําทําตัวเองดีตอนนี้ฆ่ายังไม่ได้ฆ่าให้ไม่ได้ฆ่าตัวเองให้ได้ฆ่าเขาไม่ได้ก็ฆ่าในใจเราได้เสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าตามไปเอารงหุ่นมาบรรลุอรหันต์เลยนะเขาแรงหุ่นก็ บ, บรรลุได้อะนะ มันหลงทางไงเหมือนเราหลงทางหาเงินหาทองนี่ยเมื่อก่อนเอาจริงเอาจัางแทบเป็นแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรกูถูกหลอกเสียเวลาความสุขก็ไม่มีได้แต่ความทุกข์มีไ ม, ม่ความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์หลงทางนะหลงไปสวยไปงามหลงอยู่กับรูปกับเวทนาหลงอุปทานขัดนี่จนกระทั่งถึงวันนี้นะแล้วเขาละ่ะเขาละ่ะเขาละ่ะคนที่กำลังเดินตามเร า, าลูกเราผัวเราเมียเรา เขาเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ปฏิบัตินะโอ้เขายิ่งหลงหน้าที่ของเราเนี่ยสิ่งที่ควรจะให้ที่สุดก็คือปัญญาคลายจากความหลงน่ะทำให้เขาดิ่จะไม่หลงแลดีใจดิอาจารย์ประภาพัฒน้องปีใหม่บอกว่าพนทาเดือนเมษานี้ผมจะมาอยู่ตลอดเดือนนะเมษาแล้วเข้าพรรษานี่ถ้ามันมันเวิร์กนะเมษาเนี่เข้าพรรษาผมจะเอาอีกสามเดือนนะโทษๆใจดีจังน้อ ทีแรกมองวเฮ้ยใครก็ไม่ดวงตาเขามาลดหุนหรอกไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> เขาเดินดียังไะเดินจุ ก, กรมเนะมาวั น, นี้ก็อุตส่าห์เปลี่ยนที่ทุกวันที่เดินจุกรมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเธอไปเปลี่ยนทําไม่เขาสอนไม่ให้เปลี่ยนที่นั่นนี่วะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลือยตรงนั้นตรงนี้มีเนะีย <c oughs> เขาใยอ่ะอื คือถ้าเราทำถูกทำเป็นทำได้เอ้าต้องวางนะพอถึงตอนหนึ่งบทบาทสมมติที่เราเล่นกันพอถึงเท้หนห่งมันต้องวางละวางวางลูกวางผัววางเมียวางพ่อวางแม่วางทุกอย่างละเพราะจิตที่มันต้องเดินไปที่ตัวของมันเองอเราจะจะไปปลูกพันธุ์ไปนูนนป่นไปนี่อยู่ก็ไม่ได้ละเอา้าเราเกิดมาในเพื่ออะไรสุดท้ายคือสอนเขาให้ไม่ให้เกิดแก่เจ็บตาย แล้วสิ่งที่เราทําเนี่ยทำแล้วมันทําให้เกิดแผ่เจ็บตายอย่างนั้นเราฉลาดหรือเพราะว่าไหว้น้ําไม่เป็นด้วยกันเอาไว้ให้ครูเขาฝึกดิไปให้เขาฝึกครูเขาฝึกเอามันเป็นถ้าเราฝึกเราไหว้ไม่เป็นพาเขาไหว้ไหว้ไปไว้มาจมน้ําตายด้วยกันเนี่ยมองอะไรที่มันเป็นเมื่อก่อนลองแบบแบบโลคิยะแล้วก็จากรได้ให้าไม่ลาภยศเสรเสริญเ่นะ แต่พฒนามาเอาไปเจอราบยศสารเสด็จเลยทีนี้กลับกลายเป็นอยู่เหนือเหนือมิติของลาบยศสารเสด็จมันถึงจะอยู่ได้ชีวิตเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเกิดปัญญามองเห็นเนี่ยอย่าให้อะไรกับเขาดีก็ต้องให้ปัญญาชนิดนั้นแหละทางเหนือเนี่ยเขาพยายามที่จะยุให้พ่อแม่เข้าวัดเข้าวา่าหรือยุให้ลูกให้เต้าเข้าวัดเข้าวา่าเป็น ทั้งเหนือคือประเพณีของพวกไทยใหญ่นะที่บวชลูกแก้วเนี่ยไทยใหญ่เพราจริงเอาจังมากลูกหลานเขาเวลาเราไปดูนี่ก็คือดึงบวชก็เอาช้างเอาโนู้นนี่มาแหลูกแก้วลูกแก้วแม้กระทั่งมีวัฒนธรรมเรื่องของพระอุบุขเนี่ยอืเขายังพ่วงนิทานนี้เขาเผยเลยว่าพระอบบุบาขวันวันเพลงพุทธเนี่ยวันเพ่น พระจันร์เพนวันพุธเนี่ยจะมีเนนน้อยๆซึ่งเป็นพระอุปคุตอาหารอุปคุตเนี่ยรอมตัวมาบินธบาตถ้าใครใส่บาทวันนั้นถ้าถูกเนนเนี่ยแล้วขออะไรอธิฐานอะไรจะได้อันนั้นต์สมปรารถนาคนก็ตื่นถ้าเป็นวันสิบห้าค่ำวันพุธเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาเตรียมใส่บาทเลยเนนก็จะได้โอกาสออกบินธบาตเลยนะนี่เราก็รอใส่พอใส่บาทก็เหมือน ได้กำลังใจวันนี้ได้สูงเนรอาจจะเป็นเนรอุปคุตก็ได้ที่ไม่ได้ไม่ใช่เนนหัวขี้กากบ้านเราเนะี่ยมันมาแต่มันมืดหน่อยดูไม่หอกมันมาแต่เช้านะแต่เขาก็ยุให้เราได้ใส่บาตรไงได้ทําบุญทาทานทําบุญทาทานนะทำบุญกับเนนเนนสําคัญกว่าพระนะเนนเขาเรียกว่าปะปะน้อยแต่พระก็ตุตุต ไม่เข้าใจกันสมัยหนูคือท่านเสาทองนะนะหามอวงแดงๆนี่แหละมัน <c oughs> หามไปยากนะพระต้งหลายรูปพนระนะบอกตุ๊ตุ๊แนะต่ก่อนหลวงพ่อจันทาเนี่ยหลวงพ่อจันทะนะเป็นโยมอ๋อกำลังหนักก็เอาไม่ตุ๊ตุๆตุ๊พอนะเอา้าตุ๊กพระท่นานแหนบวันนี้ อีสานกับตู้เหนือไม่เหมือนกันนะตู็คือเอาไม้ไม้ดันขึ้นมาเอาไม่ตู้เอาไม่ตูตูเอาไม่นีว่าเรียกกันเอาแต่พระเพระไม่เข้าใจภาษานะแล้วก็ไม่ต้องเอามากกะพอรู้เรื่องรู้เรื่องกันก็ง่ายๆไม่ต้องมากมายอะไรพยายามยุให้พ่อให้แม่ให้เพียรน้องเขวัดรเขว่าบวชจูงเนี่ยบวชแล้ว พ่อแม่ก็จะได้บุญนดกุศลแบบนั้นไป น, นี่นะจริงๆบุญกุศลเกิดตรงไหนตัวที่ไปที่มีกิจกรรมร่วมกันนะั่นแหละครั้งหนึ่งมันไม่พอเนะี่ยท่าลูกอยู่วัดเนี่ยพ่อแม่ต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปท้อไปเราสังเกตดูนะบางทีถ้าลูกศึกพ่อแม่ก็ศึกไปด้วยนะบางทีหายวับไปเลยเนี่ยแต่พ่อแม่ลูกบวชพ่อแม่ก็มีอยู่แน่นแน่นด้วยเดี๋ยวนี้ พ่อแม่หลายๆคนทําหน้าที่ดีเอา้าให้การศึกษากับลูกคือลูกบวชหรือไม่บวชขึ้นอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่จูงลูกเขวัดแต่บางทีถ้าลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนพระสารีบุตรลูกต้องจูงพ่อจูงแม่เขวัดไปบ่อยๆไปเยี่ยมบ่อยๆบ่อยเข้าไปเขาก็ได้ปฏิบัติได้ทาความเพียนเอาไปมาก็าเกิดปัญญาเห็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะ นั้นบางทีบางอย่างเนี่ยไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามการปลูกฝังคุณธรรมของเราซึ่งเป็นเรื่องของอนัตตาก็มีความจำเป็นบางทีต้องรอการเวลาถึงแม้คำสอนพระเจ้าจะเป็นอาการลิโกนะจริงๆมันให้ผลแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย <c oughs> เรายังไม่เฉลียวใจว่าปัญญาเกิดเราทำอะไรก็ได้อันนั้นนะ ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำถูกก็ถูกทำผิดก็ผิดทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นน่ะอืแต่เรายังไม่พอใจอันนั้นเรามองไปข้างหน้าไกลเกินเพราะไกลเกินมันก็สร้างความหวังเป็นกรงขังครอบตัวเองมันไม่ได้อย่างใจก็ต้องเดินหาแหละชีวิตนี้ก็เลยเดินเข้าไปสู่กรงขังตลอดเวลามันขังเราเราสร้างกรงขังข่าสร้างสมมุติขังเรา ทีนี้เราก็ไม่อยากทุบเปลือกไข่เนี่ยไม่อยากทุบสมมุติสิ่งที่เรามีเนี่ยเราไม่อยากทุกไว้มาไม่ได้หลอกลามาสองวันปฏิบัติทำเอาแค่กดและเบียบพวกนี้เราก็แทบตายแล้วแล้วทุบเปลือกไข่พวกนี้ไม่ได้นะแล้วจะทุบเปลือกตั้นหาอยู่ข้างในจิตได้หรือมันจะตั้งในลึกไข่ตรงนี้ตั้งไม่ได้เป้าหมายคือตั้งไข่เอาเป้าหมายคือนิพพานอย่างเงี้ยเป้าหมายคือสมาธิที่นิ่ง อยู่ปกติเหมือนอยากตั้งไข่ให้มันนิ่งเนี่ยอยวทําสมาธิมันนิ่งเอาถ้าคุณไม่ทิ้งสมมุติแล้วคุณจะตั้งได้หรือแต่ปัญญามองว่าเปลือกไข่เป็นสมมุติเนี่ยเปลือกชีวิตทั้งหลายเป็นสมมติเนี่ยมันมองไม่เป็นเนี่ยมองยังไงก็มองไม่เป็นมันเหมือนมันเป็นความจําเป็นทั้งหมดนั้นทําแล้วว่าจะได้มันก็ไม่ได้ทําแล้วว่ามันจะเป็นมันก็ไม่เป็นทําแล้วว่ามันจะเห็นมันก็ไม่เห็นที่จริง มันเห็นมันเป็นมันเกิดได้ตลอดเวลาแต่เรามองไม่ออกนะมองไม่ออกเอ้ยจะมาทรมานกูให้หิวทำไมวะแหน่มันมองไม่ออกดูบางทีมันงอกน้อยๆก็เอาดูดูเมล็ดมันอ่ะมันงอกขึ้นนิดนึงเราก็ดีใจนะเมื่อวานลงตาไปลวงต้นชโนดดูไม่ไม่จีปินเอาใส่กระทาง เอ๊ะทำไมมันนานงอกจังวันนั้นก็เห็นโผล่ๆมาข า, ขาวๆแล้วนี่นสิบยี่สิบก้อนต้นนะมันเป็นอะไรของมันนะ่ะทําไมไม่งอกพลิกขึ้นมาใหม่ไปทบทวนใหม่เหมือนกันชีวิตเราก็ทําเป็นเหมือนนั่นนหละต้องไปหาเหตุมันเอ๊ะทาไมกูไม่งอกวะแล้ว ด, ดูหนาวนี้ปากแตกปากเข้งปากเปือ่อยอยู่เราไปดูห้ย รูดูหนาวมาถึงแล้วนะเนี่ยมีปากแห้งแล้วนะเนี่ยก็จะนึกออกนะเป็นธรรมชาติมาเริ่มทำงานแล้วชีวิตนี้มันก็สนุกไปวันๆนะมันไม่ทุกข์อะไระเพราะเราเห็นประโยชน์เห็นความงอกงเงยของคุณธรรมได้ตลอดเวลาเห็นใบมันออกเห็นกิ่งมันออกเห็นก้านมันออกเห็นมันมีสงบบ้างมีว่างบ้างมีศีลบ้างมีสมาธิบ้าง มันงอกได้เรื่อยๆเรื่อยๆ่ๆ อ, อ, อีหน่อยต้นมันก็โตเต็มที่นะมันโตเต็มที่แล้วมันจะกลายพันธุ์เป็นต้นกละเพึกเนะี่ยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอีหน่อยก็มีลูกออกมาให้เราได้กินนะเน่ะพอเรากินแล้วก็อิ่มเป้เป็นนิพพานนะเนะีนะ่ยเป็นความสงบสงัดเป็นความวิเวกขึ้นมาดีดังนั้นพยายามหานะ พยายามสังเกตมี่สองเงินนะนะฟังแล้วก็สังเกตมีป巴ะโตโคสะ巴拉โตโคสะก็คือกะยะายาณมิตรนะนะแล้วก็มีโยนิโสมนสิการฟังแล้วก็สังเกตเอามาสังเกตดูตัวเองสังเกตอยู่บ่อยๆๆการพัฒนาสติสัมปญะมันก็เกิดขึ้นเองในตัวธรรมชาตินะ เพรมันเกิดจากกาสังเกตสังเกตมันก็เกิดการกระทาตามมาขอเขาที่จิตนะไม่เอาที่กายมีสองอย่างหลักการศึกษาง่ายๆเลยอะ่ะพอเรามองมาข้างในเริ่มสังเกตเห็นนะ้วเรจะพัฒนาชีวิตยัยงไงฟังคาริยาณมิตรเขาพูดนะพอเขาพูดปุ๊บโอต้องทำงั้นเลพอกลับมามาดูตัวเองเฮ้ยกูขี้เกียจนะนี่กูเบื่อหน่ายนะนี่กูทําไม่ต่อเน้อกูงุนหิตนะนี่ ทำไงเนี่ยพวกนี้เขาก็บอกให้อยู่ว่าต้องทําไปแล้วเราก็เริ่มทําตามเขาเนี่ยมันก็เป็นผลขึ้นมาได้โดยธรรมชาติมันก็ง่ายๆสำคัญว่าสิ่งที่มันง่ายๆหรือมันเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยสิ่งที่เราทำได้ในน้อยหรือได้มากเนี่ยเรายอมรับมันไหมถ้ายอมรับมันได้แค่ความยอมรับเท่านั้นเองอ่ะมันจะเป็นศรัทธามหาศาลที่จะทะลุมิติไปไกล แต่เมืเรามองไม่เห็นนะันมีความโลภอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปซะอันนี้เลิกละลดได้น้อยๆเล็กๆเนี่ยทันทีเลยบางคนมาอยู่แค่วันหนึ่งไม่กินกาแฟก็ได้นู่เราเนี่ยไม่เห็นมีเลยเฮ้ยกําลังใจอยากเลิกเลยเราเลิกได้เลยอ่ะมันไปเลยไปทั้งยวงทั้งขบวนเลยไม่ใช่เลิกกาแฟได้ทีเดียวนะเขาเลิกเหงาได้เรื่อยๆเลิกง่วงได้เลยเลิก ของซูริสุรล่จริงไม่จะเป็นเห็นไหมมันไม่ใช่แต่เลือกกาแฟะนะมันมาเป็นกระบวนมานะชีวิตนี้เหมือนกันเราทำอะไรได้เลเ็กๆน้อยๆเนี่นยนะจริงๆมันเลิกจากข้างใน ай. มันมีอะไรที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัานนเยอะแยะนะุณธรรมเนี่ยแต่ต้องเฉลี่ยวใจเอา้าโมทนานตะอนเชาน้านี่ให้ขอคิดเท่านี้กราบาพร้อมกัน